คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจาพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพระยศคุณระบุตรยุประสาทิบุรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจาท่านที่เป็นอุคติตันยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว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 นี่ถ้าเราพูดขั้นน่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่า น, นั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงข น, ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญที่ระดับขนดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชนิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรม จิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นหันที่คอยรับยาอยู่แล้วอย่างทานอุกติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิตันอยู่และกบมาในายะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาหพยายาม ถ้าเกี่ยวกับกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายผลท ำ, ทำซ้ำๆๆทำมากก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำมาหยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆเอาไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากเพียงไรอานาจก็มากกิเลสก็มีอานาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอานาจเต็มที่ อยากสแสดงตัวยังไงก็สแสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอานาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับลําดับการปฏิบัติธรรมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง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 ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธทรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปรับปรามขิเหล็จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในใจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพว่ความราบรื่นเรียงามสม่อมเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิ้องแย้มแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับธทําจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความเป็นเดินโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจ ย, ยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคเพิ่งเคยได้อธิบายมาหลายครั้งและหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน พอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ญ่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทําลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทําลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยพอที่จะบอกแล้วเอามาลักทางเลยอย่างนั้น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 มืใจ ด, ดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ําเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อควาจิตใจให้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของกิเลส ก, ก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับในอดีต ท, ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบัดนำพระท่านอยู่พระทั้งพุทธการมีจํานวนมากมายเพื่อมุ่งตอ่อแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั้นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลําดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็ เ, เหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลัดเป็นสลัตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อในมุ่งหน้ามาปไปพติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความมุ่งหายต่อเพระาะว่าคำส่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนท้าต้งหมดสลิตนซ้ายใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงส่งส อ, งสอนเท่านั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิมอมอ่มขอให้ได้บำเพ็ญ ทำเพื่ อ, อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทาที่ราบลื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทาที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไม่แล้ว ต้องให้ผลเป็นที่พึงใจโดยลํดำดำับคําว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ได้ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวายอะไรไมไ่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้นั้นอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ทำล่า ม, มดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใ จ, จภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี่ไม่วุ่นวายพยศอแต่พูดถึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขารู้ไม่ทราบกฎตา ม, าามเราก็หมายเอาผู้นั่นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บาเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบาเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่เขาสถานที่นั้นเป็นที่บาเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ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 เป็นที่พอใจโดยลําดับลําดับนั่นนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อกวัอยู่ภาจิตใจสงบดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายแล้วทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจตรงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่นั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงเ น, นสิทธิจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแ ก, รก้กิเลสหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองด้วยความปฏิบัติเห็นการสอนให้กําหนดพุทโธธรรมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระรับในขั้นเริ่มแรก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 จใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี้เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระ ง, งับกลับลงไปได้อย่าลืมอย่านี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องนําบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือ คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำลอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสำคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกำจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตถมนี่แหละเป็นหลักใหญ่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 มีเหตุมีผลผลิดความขยันมันเกิดขึ้นได้ะความขี้เกียจขี้ค้างนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมัางมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมเยคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จรุ่ร่วงเพรด้เรื่ความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมัน เป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ทีเราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของาศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทำวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ขั้นนี้เข้ามาเป็นผู้นําทางเหรือหรือจะนําความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความ ที่เจียดเพิ่มความโง่เขาอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านแต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมาก่พอพราะยังไม่เห็นผล จนกว่ า, วาผลปากรขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาหพยายามความบึกบืนหรือความเชื่อความน้ำใสความดุดดืด่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปนี่แก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปฆ่าไปหมายที่นู่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายเราไม่ดูมัน อาจ่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่กจะมันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกไปไหนมันก็เป็นทุกถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้ที่ขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้าไม่ระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้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 มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสําคัญมั่นหมายนั่นแหลมันแค่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของมันไปสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาตนตัวเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนัึงให้ย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้ มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทำไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกขังแล้วก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจนาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจ่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติ แค่ควรดูด้วยดีแล้วนี่ยชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะงับกับทุกข์ลดลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกท่านดับที่นี่ถ้ามีสติปัญญาราดับได้ตรงนี้น่ะมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อควรจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเ ม, เมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่ง ที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้เป็นสิ่งที่จะงดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็จนจุดสําคัญแล้วไม่ต้องไปปรารถนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อ้าต้องการแต่ความจริงให้ผู้ความจริงดูความจริงถ้ามันเห็นมันทุกข์ไม่ทํามันจะตายไปแล้วกันก็ให้้รู มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอาพิจารณาลงในสนามรบนี่ระหว่างขันกับจิตนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลส ท, ที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างเราขันในปกติขันใดก็ตามไม่ปกตินนกตกตจิตก็กระเทือน ถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจรึงต้องอย่างสังเวยเพราะกิเลสพาให้ฝังนี่ยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนลงไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสาคัญนั้นนั้นให้มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั้นนัหมดไปคํว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเหี่ยปัญญาตัดข า, าดตัดขาดทันทีเองตัดความสาคัญ ว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังวาเป็นเราอีกว like ่าเป็นของเราอีกเอามาทํำไมมันเหมือนกับไฟเมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กหนดดูที่โรงที่ว่ามันทุกด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดตั้งตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ยผิดทําไมไม่เห็นมันดับด้วย มันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นามันขาดชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายโดยการค่ห้ตายคิดยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขพราะมันรู้ตามความจริงนี้นี้วิธีเผาขรานกิเลสในหลักปัจจุบันนัตถัตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทํานี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดี การแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบำเพ็ญเราปฏิบัติอยู่นี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทเจ้าผ่าเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยัละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนาญศสตสางด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานองกิจคือความแน่นหนา ม, มันคงก็จะแน่นหนา ม, มันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่ นี่แหะสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่ํากลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทําลายจนไม่มปรากฏสกิปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่ําทำลายบ่นอยู่งั้นบ่นเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บ่นมันไปทำํำไม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความจริงความจริงซึ่งมีอยู่ภ า, ายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอก มันแต่กระจายไปหมดเลยฮะสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นกกงจักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตั ว, ตวลาบาก ท, ทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายเมือ่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อความให้เดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยอำนาของปัญญานัน หมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไป ม, มันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงคราวกินมันก็เป็นอย่างนั้น เห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเจะว่าไงไม่ไม่มีอะไรที่จะมาทำลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุขงขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทําลายจิตใจให้คิปหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทําหน้าที่ตามสายลากคืออนิการทุกขันตาเขาจะทำเข้าไปผู้ที่ลูกกดสายลากก็ให้รู้ไปวิจารณาไปหเห็นตามเป็นจริงไปเนี่ยขาชื่อว่าผู้ฉลาด นี่แหะถนักุศลาธรรมมาให์ฉลาดที่กรุงนี่สวดให้ดีนะกุศลาธรรมมาอย่าไปคอยแต่งเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเพาะลงโป๊ะโป๊เป๊ะเปเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลาธรรมกับเท่าเดิมมันแหละว้าไรสวดถ้ามันถูกจุดสิสวดกุศลาธรรมแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะ ความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาไนดะ้อกุศลธรรมามันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอัพยากตาธรรมามัก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแ ก, ก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรร ม, มาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอกุศลธรร ม, มาก็เสียเวลาอัพญาธรรมาก็เสียเวลาอยู่ตามความจริงนยยั้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมคกุศลธรร ม, มา่ะ ถา ม, มันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิต ใ, ใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วก็นำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เลชพรให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมได้วันยั่งําคืนยังลุลงได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะที่เดชพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้อย่างเราไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูกไม่สงสยัย ออืนี่แหละท่านบอเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่ผิดอยู่แสนสมยัยเนี่ยท่านบอกโลกุตรธรรมมันเหนือโลกทั้งๆตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขีบ่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขีบ่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเอโลกคือขันเนี่ย มันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุชลานทำแปลว่าทําเหนือโลกนะะนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคาําว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังละอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าเหมือนว่าอันเดียวกันี่นยนนพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะเอยวไปคอยจะเอาภาพมาสวดกุศลานทำมาหยุ่งถ้าเป็นพระท่านไมาอยากยุ่นหรอกท่านลำคาท่านไม่อยากไปนอกจากพระหา ก, กินท่านจะจยับไปวันนี้คนตายนะ กุชลาอ่านว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปหน้าอย่างนั้นท่าท่าพท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุชลาทำมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุชลาทำใหม่นั่นท่านจะว่างนั่นนะเอาละเอว่าง